เรื่องนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ตามคำบอกเล่าของเนโอซึ่งเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเราที่มีบ้านช่องอยู่ในคลองท่ากัวอยู่ระหว่างตำบลคลองสวนกับประตูน้ําท่ากัวมีอาชีพเป็นชาวนาค่ะพี่โ อ, อเสียงเล็กๆ เ, เรียกนามของผมดังอยู่บนตลิ่งในขณะที่ผมกําลังลากโซ่เจ้าเรือม้าตเล็กผูกกับบันไดท่าน้ําเสียงนี้แม้จะไม่เห็นตัวก็จําได้เพราะเป็นเสียงยอดชีวิตของผม มีชื่อว่าบานเย็นอันเป็นชื่อดอกไม้ที่บานตอนเย็นความสวยงามของบานเย็นก็เหมือนกับชื่อล่ะครับไม่ผาดโผนเย็นเย็นได้เปรียบไม่สวยนักแต่ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรศรวมความว่าถ้าเป็นดอกไม้ก็เป็นเพียงแค่ต้นบานเย็นนั่นแหละไม่โลดโผนหรูหราถึงดอกกุหลาบหรอกครับผมเงยหน้าขึ้นจากการผูกเรือก็พบกับบานเย็นและก็ยิ้มให้อย่างรวยรื่นซึ่งบานเย็นมานั่งยองๆอยู่ที่สะพานน้า พอผมเงยหน้าก็พบกับบานเย็นผมต้องระงับการยิ้มของผมที่พยายามให้รวยรื่นนั้นลงทันทีเพราะว่าบานเย็นไม่ได้ยิ้มตอบอย่างเคยกับมีสีหน้าตื่นกลัวแล้วก็ร้อนรนผมรีบก้าวขึ้นจา ก, กรเรืออย่างเร็วมีเรื่องอะไรอะ่ะเกิดเรื่องขึ้นแล้วเหรอพี่บานเย็นพูดเสียงกระซ่าฉันกลัวจังฉันคอยพี่อยู่เนึ่ยว่าพี่จะไม่มาซะอีกเรื่องอะไรกันอะ่ะก็แม่ฉันนี่สิฮะแม่ ผมสะดุง้งเมื่อได้ยินบานเย็นพูดว่าแม่ใจหายว่าบพระแม่ของบารเย็นเจ็บเรื้อรังมานานแล้วหมอหลายหมอเข้ารักษาก็ไม่มีทางจะทุเลาดูยิ่งจะสุดหนักลงไปถึงกับลุกขึ้นนั่งเองไม่ได้ต้องพยุงให้ลุกผมสะละเวลามาช่วยบานเย็นพยาบาลอยู่แทบทุกวันชั่วกลับไปทําธุระบางอย่างที่ค้างไว้ทางบ้านผมชั่วคืนหนึ่งแล้วก็แต่งตัวมาที่นี่เองจะถึงกับตายเสร็จแล้วกระนั้นหรือ ถ้าตายลงก็คงจะลำบากหนะักเพราะพอ่อของบานเย็นก็ตายไปนานแล้วเหลือเพียงแค่สองคนแม่ลูกบานเย็นคงจะว้าเหวที่สุดการที่เรายังรอการแต่งงานกันนี้ก็เพราะการเจ็บของแม่นั่นแหละทำเหตุแม่เป็นอะไรอะ่ะผมแกล้งถามโดยไม่กล้าจะพูดว่าแม่ตายหรือเปล่านั่งลงก่อนเถอะพี่ทิศเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมวางภายที่อยู่ในมือไว้กับสะพานแล้วนั่งลงบานเย็นหันหน้าไปมองดูบนบ้านและพูดว่า แกยังไม่เป็นอะไรนักหนาหรอกพี่ผมได้ฟังแล้วหายใจโล่งอกแต่ว่ามันมีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นอย่างหนึง่งแม่ฉันกลัวจังไม่อยากจะพูดเลยถ้าพิธีษยังค้างอยู่ที่บ้านอีกฉันตายเลยนะฉันต้องวานใครๆมาเป็นเพื่อนแน่ๆมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะผมถามด้วยความสงสัยมันจะมีอะไรพิสดารอย่างนั้นหรือเรื่องมันแปลกพี่คือเมื่อตอนใส่สายนี้เองแม่แกหลับนะ ฉันเนี่ยอ่อนเพลียอดหลับอดนอนก็เลยเผลอหลับไปบ้างรู้สึกสะดุ้งตัวตื่นเมื่อกระดานมันสะเทือนแต่ว่าฉันไม่ได้ลุกขึ้นนะยังคงนอนอยู่กับที่แต่ฉันรีบหันดูแม่ก่อนแม่พี่ทิพย์ฉันเกือบไม่เชื่อตาของตัวฉันเองเลยแม่แกลุกจากที่นอนได้มีอย่างเลอพี่เราเคยช่วยกันพยุงแกนั่งเสมอทาให้พยุงก็ลุกไม่ได้แต่นี่พี่แกลุกขึ้นได้คล่องแคล่วอย่างกับคนดีๆของเรานี่แหละแกไม่ได้มองมาที่ฉันหรอก แกก็เลยไม่รู้ว่าฉันตื่นแกมองซ้ายมองขวาแล้วก็วิ่งแผลบเข้าไปในครัวฮะวิ่งด้วยเหรอจะพี่วิ่งเร็วด้วยบานเย็นตอบพร้อมกับทําดวงตาลูกวาวแสดงความกลัวฉันเนี่ยตัวแข็งเลยพี่ทิศพูดแล้วก็กอดอกตัวรีบอย่างหนาวสะท้านแกหายเข้าไปในครัวประเดี๋ยวหนึ่งแกก็ย่องกลับออกมาแบบเบาๆดูเหมือนว่าแกไปแอบกินอะไรมาจากในครัวป่าแกเนี่ยเลอะเทอะ แกกลับลงไปนอนแสวตามเดิมแต่ว่าฉันสงสัยในใจเหลือเกินพิทิศฉันแทบจะวิ่งเล่าให้ใครในบ้านฟังอยู่แล้วแต่ว่าฉันกลัวว่าแกจะรู้ว่าฉันเนี่ยมองเห็นแกฉันก็เลยแกล้งนอนนิ่งอยู่อย่างเดิมจนครู่ใหญ่ก็ทาท่าพลิกตัวตื่นแกเหลียวหน้ามาดูแล้วก็ข อ, อน้ำกินเสียงแห้งๆฉันแทบจะไม่กล้าเข้าไปใกล้แกเลยนะพิทิศ เพื่อให้แกกินน้ําแล้วก็ไม่ศบตากันเลยฉันได้เข้าไปในครัวด้วยความอยากรู้ว่าเอ๊ะแกไปกินอะไรมาพิ่ทิศฉันแทบจับไข้แกกินหมูดิบๆที่แขวนไว้เนี่ยเป็นรอยปากแทะบานเย็นพูดแล้วตัวสั่นหันมองบนเรือนอย่างหวาดหวั่นพี่อย่าทิ้งฉันนะฉันกลัวมากเลยพิทิศฉันอยู่กับแกสองคนไม่ได้แล้วโธ่ทาแกไม่ใช่แม่ฉันฉันไม่อยู่นะพิทิศไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันหนีไปแล้วผมพยักาน่ารับ เพราะหน้านี้ไม่ใช่หน้านาไม่มีอะไรจะทำอยู่เป็นเพื่อนได้แน่เราจะแก้ไขกันยังไงดีล่ะแกไม่ใช่เจ็บธรรมดาเสแล้วสิผมพูดอย่างกรึกตรองฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะพี่จะให้ทำยังไงละ่ะพี่ช่วยด้วยเถอะช่วยถามใครดูใครจะรักษาโรคนี้ได้บ้างพระที่วัดประเวทมีบ้างไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยถามท่านเลยอะ่ะเดี๋ยงั้นพี่ไปถามให้เองแต่เอ๊พี่ ถ้าพี่ไปวัดฉันจะต้องเรียกเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนฉันละ่ะฉันอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นบานเย็นไปหาพระก็แล้วกันไปเล่าให้ท่านฟังพี่จะอยู่กับแม่เองเออจริงสิฉันไปได้แต่เอพิธเราจะถามลุงอ่าบ้านใกล้ดูก่อนไหมเออจริงฮะลุงอ่าคงจะรู้นะว่าใครรักษาได้บ้างไปบนเรือนกันก่อนเถอะฉันมานั่งจองอยู่ท่าน้านานแล้วบานเย็นเตือนผมแล้วก็ผลักผมให้เดินข้างหน้า เมื่อเราขึ้นบนเรือนคนเจ็บก็หันมาดูพอแกเห็นหน้าผมแกก็ยิ้มแห้งๆตามเคยแล้วก็นอนตาปริบๆบ่านเย็นเลี่ยงเข้าไปในห้องนอนของตัวเองส่วนผมนั่งอยู่กับแกห่า ง, างและทำใจให้กล้าอดจหวดไม่ได้เมื่อทราบเรื่องซะก่อนดังนี้ไม่ค่อยจะสบตาแกนักชักเกรงดวงตาลึกหลวของแกช่วยพยุงแม่ไปเยี่ยวทีลูกแกขอดร้องแบบเสียงแห้งๆ บานเย็นได้ยินก็แอ บ, บมองตามผมมาจากในห้องศบตากันเป็นอันรู้กันผมขยิบตาให้บานเย็นออกมาช่วยกันพยุงแกซึ่งในขณะพยุงตัวแกแทบไม่เชื่อว่าแกจะลุกขึ้นวิ่งได้อย่างที่บานเย็นพูดเมื่อเรียบร้อยแล้วผมก็เลี่ยงเข้าห้องบานเย็นคนเจ็บมองตามนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะแกรู้อยู่แก่ใจว่าผมก็คือเคยของแกในวันข้างหน้าที่คอยอยู่ก็เพราะแกเจ็บอยู่ มิฉนั้นมารดาผมก็จัดแจงแต่งกันซะแล้วแหมตัวแกเย็นเชียบเลยผมว่าเมื่อมาอยู่ในห้องของบานเย็นแล้วบานเย็นก็พยักหน้าแกไม่ได้อาบน้ําเลยกลิ่นตัวชักสังสางบานเย็นบอกพี่อยู่คนเดียวนะเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำบ้านลุงอ่ําไปเถอะพี่ไม่กลัวหรอกผมตอบอย่างสงเดชซึ่งปากไม่ตรงกับใจน้องไปเล่าอาการของแม่ให้ลุงอ่ําฟังให้ละเอียดนะบางทีแกอาจจะช่วยเป็นเพื่อนได้บ้าง บานเย็นพยักหน้ารอบคำผมแต่แล้วเราทั้งสองก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อคนเจ็บพูดดังเข้ามาด้วยเสียงแจ่มใสชัดเจนแม่แหบแหง้งอีหนูเองจะไปบ้านทิดอ่ำเลอลูกขอไก่มันมาสักตัวนะแม่อยากกินให้ชื่นใจบอกว่าแม่ขอนะบานเย็นนะบานเย็นมองตาผมด้วยดวงตาที่ลุกวาวหน้าขาวเป็นกระดาษใจหายเราพูดกันเบาๆในห้อง พูดขนาดกระซิบแต่แกเกิดรู้ว่าจะไปบ้านลุงอำ่ำแกนอนห่างไหนไหนไม่รู้ผมเริ่มหวาดกลัวและเห็นใจบานเย็นที่สุดแกส่งเสียงแจ๋วแจวเข้ามาอีกโดยรำพันถึงเรื่องกินไก่ที่แกสั่งให้บานเย็นไปขอลุงอำ่ำต้มและจิ้มน้ำปลาเนื้อหวานมากปิ้งก็ดีหวานดีบานเย็นเกาะแขนผมแน่นผมอดไม่ได้ แอบดูคนที่พูดพร่ำแต่เรื่องกินมองดูตามช่องฝาคุณพระช่วยผมแทบล้มหมดสติไม่ใช่ตาฝาดแน่แกลุกขึ้นยืนข้างที่นอนและทําท่าทางประกอบคําพูดเรื่องกินอย่างกระสับกระเซงแลบลิ้นเลียปากอยู่คนเดียวบานเย็นก็แอบเห็นด้วยกันถึงกับตัวสั่นขึ้นมาอีกส่วนผมนั้นแม้จะเป็นผู้ชายเคยบวชเรียนมาแล้วแต่การเป็นชายบวชเรียนมาแล้วไม่ช่วยอะไรได้เลย เกิดคลาดขึ้นมาเมื่อพบเห็นดังนี้เข้าไปบ้านลุงอ่ำกันเถอะพี่บานเย็นขยันขยอเสียงกระเสา่าทางกระทบกันด้วยความหนาวใจผมรีบจูงมือบานเย็นออกทางหลังบ้านบ้านลุงอ่ำอยู่ติดกับบ้านบานเย็นชั่วลำคูขวางเท่านั้นแกเป็นชาวนาผู้มีอันจะกินคนหนึ่งในคลองนั้นมีหัวเคร่งทางพระเมตตาอารีต่อเพื่อนบ้านเป็นอย่างดี ผมกับบันเย็นมายืนอยู่คอนราฟ้าคูร้องบอกให้คนในบ้านดูสุนัขด้วยแล้วเราทั้งสองก็โดดข้ามคูไปบ้านแกแม่เองมันข้อ ย, ยังชั่วหรือว่านางหนูหมูนี้ข่ายยุ่งไม่ได้ไปเยี่ยมแม่เองเลยยังชั่วอะไรล่ะจ้าลุงฉันจะตายซะแล้วช่วยฉันด้วยบันเย็นพูดลุงอ่ําเบิกตาโพลงเพราะสงสัยเอ๊ะอะไรกันวะแกถามอย่างหน้าตาตื่น และเสียงแกค่อนข้างดังจนป้าปานที่กินหมากอยู่บนเรือนได้ยินก็เลยลงมาถามเหตุการณ์ร่วมวงอีกคนหนึ่งผมกับบานเย็นได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้แกฟังจนตลอดสีหน้าลุงอ่ําที่ตื่นอยู่แล้วก็กลับตื่นขึ้นอีกป้าปานถึงกับเคี้ยวหมากค้างไม่ได้การแล้วเว้ยลุงอ่ําพูดไปหาพระเถอะเว้อยอาจารย์เป้าที่วัดนี้ท่านเข้าใจเรื่องนี้ดีลุงจ๋าลุงช่วยไปเป็นเพื่อนฉันด้วยนะ ฉันอยู่สองคนกับพี่ทิดโอไม่ไหวแล้วฉันไม่กล้าเข้าใกล้แม่ฉันเลยเวลานอนกลางคืนฉันนอนทางหนึ่งพี่ทิดเขานอนทางหนึ่งไกลกันฉันกลัวนะลุงจ๋าแม่ตาฉันด้วยความจริงก็ถูกอย่างบานเย็นว่าถ้ามันมีเรื่องอย่างนี้ก็น่ากลัวครั้งจะนอนรวมกันก็ไม่ได้ชาวบ้านจะนินทาเรายังไม่ได้ตบไม่ได้แต่งมันก็จําเป็นต้องนอนกันคนละทางนั่นเองเดี๋ยวว่าแต่บานเย็นเลยผมเป็นผู้ชายอกสามซอกก็ชักขยับ ตอนเจ็บแรกๆ ก, ก็ไม่คิดกลัวแต่ครั้นมารู้เห็นว่าแกไม่ใช่คนเจ็บธรรมดาแกมีอะไรแอบแฝงอยู่ผิดกับไข้ธรรมดาไม่ไหวเด็ดขาดถ้ากลางดึกแกลุกขึ้นมารําอีกผมต้องโดดบ้านแน่ๆช่างหน้าเกลียดหน้ากลัวอะไรอย่างนั้นร่างที่ผอมแห้งทําท่าทางร่ายรำมันผิดธรรมชาติมันผิดธรมมดธรมดาความจริงจะเป็นไปทั้งกินของดิบขโมยกินลักกิน พออ่ำก็เป็นเพื่อนมันด้วยสิป้าปานบอกใครจะไม่กลัวละ่ะถ้าเป็นอย่างว่าอะไปก็ไปลุงอ่ำรับปากว่าจะช่วยว่าแต่เราจะทํากันอย่างไรนะสิวะผีแอ บ, บกินอย่างนี้ถ้าไม่จัดการก็บ้าตายเท่านั้นเอ้ยอินูเองกับไอโอนี่ไปหาอาจารย์เป้าที่วัดนะไปเล่าเรื่องให้ฟังข้ากับตาอ่ำเนี่ยจะไปดูแม่เองไว้ป้าปานออกคาสั่งและรีบคว้ากระถายหมากพลู ลุงอ่ำหยิบกล่องใบจากผมกับบานเย็นนั่งโบกมือไหว้ขอบพระคุณอย่างสูงท่ำนั้นอาจารย์เป้าได้มาทำพิธีปัดเป่าของท่านคนเจ็บนอนแสวไม่แสดงกิริยาอะไรผิดไปเบื่อนหน้าไปทางหนึ่งอย่างไม่พอใจการกระทำของพระและพวกที่พยาบาลนานๆจะชายตาดูพวกเราอย่างโกรธแค้นอาจารย์เป้ามีพิธีอะไรของท่านอยู่มากมายซึ่งเราดูกันไม่ออกได้แต่มองดูท่านอย่างเงียบ ในที่สุดท่านนั่งหลับตาพนมมือนิ่งชั่วขณะพอสักครู่ลืมตาแล้วเอานิ้วจิ้มลงในขันน้ำมนดีดไปที่คนไข้สามครั้งคนไข้เบือนหน้าหลบแล้วก็หัวเราะเสียงแหลมอย่างเย้ยหยันแล้วหันมาดูท่านพลางแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกล้อท่านพวกเราหน้าตื่นไปตามๆกันแต่ว่าพระอาจารย์เป้ามิได้แสดงกิริยาว่าโกรธคนไข้หรือกลัวคนไข้หันมาพูดกับเราว่า ฉันต้องล่าถอยไปทีพรุ่งนี้จะเอาเพื่อนมาเล่นงานกับมันมันเก่งให้มันอยู่ไปท่านหันไปมองคนไข้แล้วชี้หน้าคนไข้จําไว้พรุ่งนี้จะเสียใจพูดกันดีๆไม่ได้ก็ให้ร้ายกันไปเลยท่านพูดแล้วก็ลุกขึ้นยืนหยิบย่ามและของอื่นถือไว้ในมือไปส่งฉันที่วัดก่อนพรุ่งนี้รับมือกันใหม่ผมนําท่านลงเรือไปส่งสองคนกับที่เจกตามทางพระอาจารย์เป้าพูดทิ้งว่า ทิ้งไว้มันแก่ไปหน่อยกาจัดยากแต่ข้าไม่ยอมแพ้วะพรุ่งนี้เอากับมันผมใจหายเรารู้กันเต็มอกแล้วว่าผีสิงแม่ของบานเย็นอยู่จริงๆท่านอาจารย์เป้าได้มอบสิทธิ์วัดโตๆมาเป็นเพื่อนอีกสองคนสิทธิ์วัดที่ว่านี้เป็นคนชั้นหนวดแล้วทั้งนั้นเราอุ่นใจขึ้นอีกมากเพราะมีคนเพิ่มขึ้นเป็นเพื่อนพอถึงท่าน้า ทิดเจ๊กส่งผมขึ้นท่าและบอกว่าจะไปหาเหล้ามากินให้ใจปั้มชวนสิทธวัดโขงติดเรือไปด้วยในคืนนี้ไม่มีการให้อยู่ให้ยาคนไคลเพราะไม่มียาอะไรจะรักษาแล้วรอคอยเพียงแต่ให้น้ําและพยุงลุกบ้างเป็นบางตอนทั้งทั้งที่หมั่นไส้ว่าแกลุกเองได้แต่ต้องให้รอวุ่นวายพยุงลุกนั่งเมื่อไม่มีทางจะบิดเบี่ยงก็จําใจทํา ภาวนาขอให้รีบท่ามคืนซะเร็วๆพรุ่งนี้อาจารย์จะมาแก้ให้ตกที่เจ็กกับสิทธิ์ข่งกลับมานำเหล้ามาเลี้ยงกันอีกด้านหนึ่งที่เจ็กว่าแม้ถ้าไม่ติดธุระที่นี่นะฉันลงปลาแล้วพับผ่าสิเมื่อกี้มันโดดข้ามเรือเราไปโตถนัดใจนะักฉันว่าไอช่อนมันหวงลูกมันถ้าพายเฉียดมันมันเลยพุ่งเอาสิทธ์วัดว่าแมตีไม่ทันละสิ ไม่งั้นป่านนี้ต้มน้ำบีบมะนาวแล้วนะสิอีกคนผสมท้ายแล้วดื่มเหล้าส้มมะขามเปียกแกล้มเขาพูดคุยกันทางโน้นคนไข้หันหน้าไปมองทางวงเล่าแล้วหันมาดูผมโอ้โวพรุ่งนี้ไปหาไอ้ช่อนสักตัวเถอะวะคนไข้พูดเสียงแจ๋วเออนะลุงอ่าตอบแทนผมอยากกินจะหาให้กินผมไปขอให้กินเถอะไข่จะได้หายเร็ว ลุงอ่ำพูดเอาใจคนไข้าตามระเบียบคนไข้หัวเราะเสีสยงใสแล้วแลบลิ้นเรียปปากพลางพูดว่าได้ไอที่ท้องไข่นี้ยิ่งดีแกชักจะพูดคุยได้ถ้าพูดคุยเรื่องกินดูกิริยาคล้ายๆจะทุเลาลงทำให้คิดไปว่าอาจารย์เป้าคงทำเอาไข้เมาแน่ๆถ้าพรุ่งนี้ท่านมาอีกคราวก็คงมีหวังหายผมรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างทางวงเล่ามุมบ้านข้างโน้นคงคุยกันสนุก เรื่องหาปลาหากุ้งมาเป็นกับแกล้มเหล้าลุงอ่ําก็มีทีท่าจะเชื่อการกระทําของพระอาจารย์เป้าอยู่มากแกคอยมองดูอาการคนไข้อยู่ตลอดเวลาผมเองก็ไม่ขาดการจับสังเกตกิริยาแต่ยังคงเห็นคนไข้นอนนิ่งเฉยลืมตาเสมอไม่มีการงีบหลับบ้างเลยธรรมดาคนไข้จะต้องอ่อนเพลียหลับบ่อยๆอาหารการกินก็ไม่ได้มากอย่างที่พูดว่าจะกินไอ้นั่นจะกินไอ้นี่ ครั้นถึงเวลาอาหารของแกแกก็กินนิดเดียวยิ่งขนมหวานหวา น, วนที่ทำให้กินเลือกชนิดที่ไม่แสลงแกไม่แตะเลยเราพูดเราคุยกันไปจะดึกเท่าไหร่ไม่รู้เสียงทางวงเล่าเบาลงไปชัดเอกเคนกคุยกันบ้างแล้วลุงอ่ำถอยไปตั้งหลักที่ระเบียงหน้าห้องบรรเย็นจัดการปูเสื่อนอนเล่นผมเห็นเหมาะก็เลยถอยห่างคนไข้ไปนอนเล่นบ้างกับลุงอ่า ส่วนบานเย็นนั้นเข้าห้องนอนแล้วมีเราสองคนนอนกำกับหน้าประตูให้ทิเจ็กกับสิทธวันอนกันแถวระเบียงหน้าครัวทางคนค่ายของเรารีดตะเกียงไว้มีน้ำมันไว้เพียงพอจะตามไฟไปได้ตลอดคืนผมนอนคิดอะไรต่อมีอะไรไปไกลคิดว่าทาแม่ข้อ ย, ยังช่วยแล้วหายเป็นปกติแล้วเราก็จะได้แต่งงานกับบานเย็นสมใจแต่เอ๊ะทำแม่ไม่หายและตายลงไปละ่ะ เออทีนี้เราจะแต่งงานกันได้อย่างไรเราจะต้องรอคอยว่าจะหายเศร้าโศกเผาศพก่อนปุ๊บปั๊บจะแต่งกันก็น่าเกลียดผมคิดแล้วก็ถอนหายใจจะทําอย่างไรได้เรื่องมันเป็นไปดังนี้ซะแล้วก็ต้องตามเรื่องมันผมอาจจะหลับไปนานกระดมังสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเสียงต่างๆในบ้านเงียบฉี่ในคลองมีเสียงปลาผุดบ้างไม่ขาดสายผมชูคอไปทางคนไข้ ก็เห็นนอนอยู่เป็นปกติอาจารย์เป้าสะกดไว้ดีจริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนในบ้านคงหลับกันหมดแล้วไม่มีเสียงอืออาบ้างอาจจะเป็นเพราะเวลาสักยามสามได้กระมังผมชักตาแข็งหลับไม่ลงนึกย้อนไปทางบ้านของตัวเองแต่ก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่แม้บิดาผมจะเสียไปนานแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกสองคนเป็นเพื่อนแม่ได้ดี ทั้งลูกจ้างทำนาก็มนีนอนอยู่โรงหน้ายุ้งข้าวไม่มีอะไรน่าห่วงความเงียบสงดทำให้เกิดความวังเวงขึ้นมาบ้างเหมือนกันแม้จะมีคนนอนอยู่หลายคนก็หลับทั้งนั้นก็เหมือนตัวเองอยู่คนเดียวเจ้าหมากลุ่มหนึ่งทางบ้านเหนือหอนเสียงยาวเย็นเยือกลอยมาตามลมรู้สึกว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงที่วัดนั่นเองแล้วใจตัวก็ประวัิหวนคิดว่ามันหอนทาไมถ้าเดือนงาย หมาหอนไม่แปลกเลยเพราะมันมองเห็นอะไรไกลออกไปโดยมีแต่ความเงียบผู้คนไม่มีมันก็เกิดเหงาใจจึงหอนขึ้นตามอารมณ์ของมันแต่นี่เดือนมืดมันเห็นอะไรล่ะมันถึงหอนขึ้นมาหัวใจของผมมันเจ้ากรรมดันไปคิดอะไรในยามสงัดเช่นนี้จึงเกิดว้าเหวยวังเวงขึ้นเสียงแมวร้องเหงาๆอยู่หลังบ้านไกลๆคล้ายเด็กละเมอเรียกแม่ แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าเสียงแมวตัวผู้ร้องเรียกหาตัวเมียแต่เสียงของมันหลงๆน่าสงสารและน่ากลัวยิ่งในยามดึกที่กำลังกระชั้นชิดอยู่กับท้ายที่มีผีสิงเช่นนี้ทุกอย่างมันก็น่ากลัวนกแสกบินร้องข้ามหลังคาไปอย่างเสียงยาวเยือกบาดใจผมใจหายวูบเพราะอยู่ๆมันก็บินร้องข้ามบ้านไปผมเกิดใจเต้นตึกๆคนเก่าคนแก่บอกว่า บ้านใครมีคนไข้อยู่ถ้านกนี้ร้องบินข้ามหลังคาไปว่าคนไข้นั้นจะถึงคราวตายผมนึกเองใจก็เต้นรัวไปเองเสียงแมวเห่าหาตัวเมียไม่หยุดคงเห่าเห่าอยู่ตามเดิมและซ้ำยังเงห่าใกล้เข้ามาผมจุปากด้วยความรำคาญใจยิ่งนักจะลุกไปไล่มันก็คลานจักรธรรมอะไรโดยคนเดียวในยามเงียบ ทั้งยังไม่แน่ใจว่าคนไข้นั้นคือแม่ของบานเย็นโดยแท้หรือใครสิงอยู่และผมจะลุกไปเดินเล่นไล่แมวได้อย่างไรมันร้องใกล้เข้ามาผมค่อยๆพลิกหน้าไปดูคนไข้เห็นลืมตาโพลงรู้สึกว่าแกกำลังจับฟังเสียงแมวนั้นอยู่ทายแกจะโกรธแกเหลียวหน้ามองไปทางนอกชานดวงตากระทบแสงไฟเป็นประกายวาวถ้าแกจะโกรธแมวผมนอนนิ่งดูแกอยู่ แกคงไม่รู้ว่าผมตื่นเพระนอนอยู่ทางเงามืดเจ้านกแสกบินร้องข้ามมาอีกคนในบ้านจะหาใครตื่นอย่างผมก็ไม่มีแมวร้องประสานกับเสียงนกแต่คราวนี้เสียงแหบๆเครือๆ เ, เ, เหมือนจะสิ้นลมแต่เอ๊ะคล้ายกับมันร้องอยู่ที่นอกฉานนั่นเองเสียงมันครวนอย่างหนาวใจทันใดนั่นเองผมแทบจะตะโกนร้องออกมาด้วยความกลัวผมเคยคิดไว้แล้วว่าถ้ากลางดึกคนไข้ลุกขึ้นราอีกผมโดดเป็นแน่ บัดนี้ก็เป็นอย่างว่าแต่ไม่ใช่ลุกขึ้นรำคนเจ็บลุกพรวดพลาดขึ้นอย่างคล่องแคล่วและหยิบตะบันหมากที่วางอยู่ที่ข้างที่นอนวิ่งปราดไปที่ริมนอกชานก้มตัวจ้องลงไปข้างล่างมือถือตะบันหมากมั่นคงเตรียมจะตีอะไรอยู่เสียงแมวได้หยุดร้องไปอย่างประหลาดคนไข่ยังคงยืนก้มหน้าจ้องไปที่ใต้ถุนอย่างเดิมคุณพระช่วยด้วยเถิดนั่นอะไรกันตาผมฝาดไปหรือไม่ โอ้ยที่นอนไข้อยู่นั่นล่ะก็มีคนไข้นอนอย่อยางเดิมแต่ที่ชายนอกฌานก็มีภาพคนไข้ยืนคุมเชิงเสียงแมวอยู่คนเดียวแยกตัวออกไปเป็นสองใจผมรัวเหมือนจะระเบิดและแตกดับลงภาพคนไข้ที่อยู่นอกฌานเดินกลับไปที่คนไข้นอนอยู่ก้มหน้าลงคล้ายกับพูดอะไรกันแล้วหันกลับไปที่นอกฌานอีกวิ่งไปอย่างเร็วแล้วโดดแผลวหายไปในความมืด ผมเห็นหน้าคนที่วิ่งโดดไปนั้นได้ถนัดว่าไม่ใช่แม่ของบานเย็นเป็นหน้าของคนแก่คนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักผมทนไม่ไหวแล้วพลิกตัวเข้ากอดลุงอ่ําเป็นที่พึ่งหน้าแปลกที่ลุงอ่ําไม่ได้แสดงอาการสะดุ้งตื่นเลยแกยังคงนอนเฉยคล้ายกับไม่รู้สึกตัวแต่ครู่นั้นได้ยินแกกระซิบต่อว่าเห็นแล้วผมใจค่อยตื้นขึ้น ฉันแรกคิดว่าจะมีผมเห็นคนเดียวที่แท้ก็มีลุงอ่ำเป็นเพื่อนแต่สิวัดกับทิดเจ็คคงไม่รู้เรื่องเพราะไม่เห็นอีกเลยและเหตุการณ์อะไรก็เงียบไปคนไข้ ย, ยังคงนอนอยู่เฉยๆนับตั้งแต่นั้นผมกับลุงอ่ำไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอีกตลอดรุง่งพอเช้าขึ้นเห็นคนไข้หลับสนิทเราได้ลงไปรวมตัวกันที่ใต้ถุนเรือนเล่าถึงเรื่องเมื่อคืนลูกจ้างทำนาบ้านลุงอ่ามาร่วมวงด้วย ผมกับลุงอ่ำเป็นคนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังตาอูออกความเห็นว่ามีหมอแขกครัวอยู่ในคลองลัดเก่งนักเรื่องนี้ลองไปตามแกมาแก้จะดีไหมที่ประชุมตกลงให้ผมสุ่มไปตามหาดูว่าหมออยู่ที่ใดพอเราตกลงกันแล้วก็กลับขึ้นเรือนผมจัดแจงล้างหน้าลุงอ่ำกับตาอูไปดูคนไ้ทันใดนั้นก็เกิดโกลาหนขึ้นอีก ลุงอ่ํากับตาอูร้องบอกว่าแม่ของบานเย็นตายซะแล้วคนในบ้านทุกคนสะดุ้งสุดตัวบานเย็นร้องไห้โฮผมยืนงงงันไปเลยการไปตามหมอก็ต้องเลิกราเปลี่ยนเป็นรีบไปวัดบอกกับพระอาจารย์เป้าและเตรียมนิมนต์พระสวดตอนกลางคืนเตรียมซื้อโลงใส่ศพใครแข็งแรงให้รีบแจวเรือไปที่ตลาดคลองสวนมีร้านขายโลงผีอยู่ที่นั่นการเตรียมตัวจัดการศพได้ชุลมุนกันอีกเรื่อง ผมรีบพายเรือไปบอกแม่กับน้องน้องที่บ้านบอกว่านาแย้มตายซะแล้วเรื่องก็ลงเอยกันเพียงเท่านี้แหละครับ